อีกอย่างหนึ่งพิสษุไม่ทําโอกาสแก่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอย่างไี้เรียกว่าไม่เปิดโอกาสมันสรุปว่าจะรับความหนาวความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดไม่ต้องเปิดโอกาสให้ความชั่วทางกายวาจาและใจคําว่าพึงทําความบากบัน่นคือทําความเพียรไว้ให้มั่นความว่า ความปรารถนาความเพียนความก้าวหน้าไปความบากบันความดำเนินไปความพยายามความอุตสาหะความมั่นความไม่ถอยหลังความออกแรงความตั้งไว้ความบากบันคือความไม่ย่อย่อนความไม่ปรงฉันทะความไม่ทอดทุระความปกครองทุระวิริยะวิยิญสีวิริยะพระสัมมาวายมะที่เป็นไปทางจิตนี้เรียกว่าความบากบันคือความเพียน ในคำว่าความเพียรในที่นี้ก็คือเพียรกําจัดบาปกับเพียรเจริญบุญเนี่ยนะเพียรกำจัดบาปจะ ก, กําจัดหรือว่าระวังไม่ให้บาปเกิดเพียรเจริญบุญรักษาบุญที่เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละภิกษุพึงทําความบากบันคือทําความเพียรเอาไว้ให้มั่นคือพึงเป็นผู้สมาทานมั่นมีการสมาทานตั้งลงสรุปว่าพึงทําความบากบันคือความเพียรเอาไว้ให้มั่นนะ เพื่อเพียรในการอบรมโพธิปัจจะธรรมจะต้องไม่เลิกจะต้องไม่ไม่ท้อจะต้องไม่ถอยจะต้องบากบั่นอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะว่าภิกษุถูกภัสสะคือโรคและความหิวกระทบแล้วพึงอดทนต่อความหนาวและความร้อนเนี่ยนะก็ขันตินะขันติสังวรภิกษุนั้นอันภัสสะเหล่านั้นกระทบแล้วโดยอาการมากอย่างเป็นผู้ไม่เปิดโอกาส พึงทำความบากบันคือความเพียรเอาไว้ให้มัน่นะรับกระทบอารมณ์อะไรอะไรก็ให้อยู่ในขันติสังวร น, นะรักษาศีลต่อไปแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเกิดขึ้นขบพยายามภากเพียรต่อไปคำสอนที่พระองค์แนะนำต่อไปอีกว่าภิกษุไม่พึงทำความเป็นขโมยไม่พึงพูดเท็จพึงแผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งที่สะดุ้งและมั่นคง เมื่อใดภิกษุรู้ความคุณใจเมื่อนั้นพึงบรรเทาเสียซึ่งความคุณใจด้วยมนาสิการว่านี่เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดำํานะถ้าอากุศลมันเกิดขึ้นก็เออเนี่ยหมายแหฝ่ายแห่งมาร น, นะคําว่าภิกษุไม่พึงทําความอ่ไม่พึงทําความเป็นขโมยความว่าภิกษุไม่พึงทําความเป็นขโมยไม่พึงพูดเท็จความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละอธินนาทานเว้นขาดจากอาธินาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้หวังได้แต่ของที่เขาให้พึงเป็นผู้มีจิตไม่เป็นขโมยเป็นจิตสะอาดอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุไม่พึงทําความเป็นผู้ขโมยอนอธินนาทานสิกขาบทเนี่ยมาทั้งหมดเลยนะที่อบอกว่าอันนึงภิกษุ คือถ้าเป็นอธินาทานประปราชิกศีขาบทนว่าเป็นหนึ่งพิสูตใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนจุรกรรมจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีพระราชาจับโจรได้แล้วข่าเสียบ้างจำขังไว้บ้างในประเทศเสียบังเลยปรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนขโมยเจ้าเป็นคนหลงดังนี้เพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใดพิสูตรถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้นแม้พิสูตนี้ก็เป็นปรราชิกหาสังวาสไม่ได้ระดับสูงเลยนะก็คือห้ามาศกขึ้นไปแต่จริงๆแล้วใน อ, อนุศาสตร์ก็บอกว่าแม้แต่ญ้าเส้นหนึ่งก็ต้องไม่เอาของคนอื่นเนี่นนยนะด้วยอัอออธินาทานเจตนาเนี่ยนะก็ต้องจิตคิดจะเอาต้องไม่มีะเอาด้วยอัธินาทานเนี่ยนะนั่นก็ถือเอาแต่ของที่เขาให้หวังได้แต่ของที่เขาให้ถ้าเขาให้ค่อยเอาถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปเอาอย่างอยู่ในป่าอย่จะต้องระวังนะพวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยวันก่อนเนี่ยฟังว่ากฎหมายเขาออกมาใหม่เขาเอาหนักมากนะไม่จําเป็นจะไปยุ่งกับต้นไม้ใบหญ้าของป่าเขา ถึงจําเป็นก็อย่าว่างั้นเถอนะคําว่าไม่พึงพูดเท็จความว่าพิสูจนในธรรมวินัยนี้ละมูสาวาฏเว้นขาดจากมูสาวาฏนะนะเว้นขาดให้หมดนะนะไม่เห็นก็ต้องว่าไม่เห็นสิ่งไม่ได้ยินก็ต้องว่าไม่ได้ยินไม่ทราบก็ว่าไม่ทราบ ไ, ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้นะให้พูดตามความเป็นจริงถ้าเห็นเป็นต้นก็ว่าเห็นเนี่ยนะพันให้เว้นขาดจากมูสาวาฏเหล่านั้นพูดจริงดํารงอยู่ในคําศัพว์มีถ้อยคํามั่นคง คอยคำมั่นคงคือพูดเมื่อไรก็ต้องเป็นความจริงไม่ใช่เช้าพูดมังกรดเนี่ยนะเย็นพูดมังกรไม่ใช่ใชนะเช้ามะลิเย็นมะลิซ้อนไม่ใช่ต้องพูดยังไงก็ต้องอย่างนั้นสิคือคือให้พยายามดํารงอยู่ในความจริงเอาไว้ให้เชื่อถือได้ไม่พูดให้เคลื่อนคลาดหรือคลาดเคลื่อนแก่โลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่พึงทําความเป็นผู้ขโมยแล้วก็ไม่พึงพูดเท็จ พันก็แบ่งออกเป็นใหญ่ๆเลยนะยกมาสองข้อคือศีลทางกายกับทางวาจาทางกายก็ยกอธทินนาทานมาเป็นตัวอย่างทางวาจาก็ยกคำพูดเทศมาเป็นตัวอย่างแต่ให้รู้ว่าสองคำเนี่ยปาติโมขัสังวรนเนี่ยมาหมดเลยนี่แหละคำสอนในพระวินัยปิฎกมาทั้งหมดเนี่ยนะคำว่าพึงแผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงสัพวาเมตาก็คือความมีไมตรีเมตตาคือไมตรีนี่นะ กิริยาที่รักความเป็นผู้มีความรักความเอ็นดูกิริยาที่เอ็นดูความเป็นผู้เอ็นดูความสแสวงหาประโยชน์ความอนุเคราะห์ความไม่พยาบาทความไม่ปองร้ายความไม่โกรธกุศลมูลนนะลมูลนี่เรียกว่าเมตตานนะอะโทสะนะที่เป็นกุศลมูลสัตว์เหาใดยังละตันหา อันทำให้สะดุ้งไม่ได้และยังละความกลัวและความขลาดไม่ได้สัตว์เหล่านั้นเรียกว่าผู้สะดุ้งสะดุ้งเพราะตันหาอย่างหนึ่งกับสะดุ้งเพราะโทสะถามว่าเพราะเหตุไรสัตว์เหล่านั้นจึงเรียกว่าสะดุ้งเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นย่อมสะดุ้งหวาดเสียวครั่นคลามกลัวถึงความสยดสยองเพราะเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงเรียกว่าผู้สะดุ้งส่วนสัตว์เหล่าใดละตันหาอันทําความสะดุ้งได้แล้วและละความขลาด ความกลัวได้แล้วสัตว์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มั่นคงถามว่าเพราะเหตุไรสัตว์เหล่านั้นจึงเรียกว่าผู้มั่นคงเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่คลั่นคล้ามไม่กลัวไม่ถึงความสยดสยองเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงเรียกว่าผู้มั่นคงคําว่าพึงแผ่เมตตาหรือเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งที่สะดุ้งและมั่นคงความว่าพึงถูกต้องพึงแผ่เมตตาพึงเป็นผู้มีจิตสหรคตด้วยเมตตา ถึงความเป็นใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่พยาบาทแผ่ไปยังสัตว์ทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงนี่นะเจริญเมตตานะเพราะฉะนั้นศีลทางกายก็ต้องดีศีลทางวาจาก็ต้องดีทีนี้เจริญเมตตาเอาไว้ให้มากนะนี่นะพึงเจริญเมตตาทั้งในสัตว์ที่ผู้สะดุง้งผู้มั่นคงนี่นะนะก็อย่างในกรณียเมตสูตรเนี่ยนะนะว่า เพื่เจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเหมือนกันสัตว์อื่นไม่พึงคมคูสัตว์อื่นไม่พึ ง, คคพงดูหมิ่นเขาในที่ไหนๆ ไ, ไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นมารดาธนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม่ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดผู้ที่ฉลาด ผู้ที่เจริญเมตตก็ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะพึ่อเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิน้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องควางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะมันก็สัตว์เหล่านั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ น, น, นะนะตัวยาวตัวใหญ่สัตว์ใกล้สัตว์ไกลเป็นต้นให้เจริญเมตตาไปอย่างนั้นแหละไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ที่แผ่เมตตาเจริญเมตตาไป คำว่าเมื่อใดเนี่ยนะเมื่อใดก็คือภิกษุรู้ความขุนใจถ้ารู้ว่าใจขุนว่างั้นเถอะเมื่อใดรู้ว่าโทสะเกิดแล้วนะในใจคำว่าใจก่อนใจก็คือจิตใจมณฑ า, าไทยปันตระมณะมนายตนะมนินทรียีวิญญาณวิญญาณขัน์มโนวิญญาณธาตุอันสมกันกันกบภาษะเป็นต้นนั้นนะจิตนี้เป็นธรรมชาติขุนมัวเศร้ามองยุ่งวุ่นห ว, นวั่นไหวหมุนไปไม่สงบ เพราะอะไรเพราะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือใจนี่มันขุนมัวพราฆาโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอริษยาตนีความลวงโอ้อวดหัวดื้อแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทนะกิเลสทุจตกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกระวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุสลาพิสังขารเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่า ใจขุณมัวก็คือถ้าเพิ่งรู้รู้ทั่วรู้วิเศษรู้เฉพาะแทงตลอดความที่จิตขุนมัวถามว่าถ้ารู้ใจเป็นบาปแล้วว่าไงต่วไวก็บอกว่าถ้ารู้ว่าใจเป็นบาปก็รู้ว่าเนี่ผู้มีกรรมดามนาศิกานวันนี้เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดาฝักฝ่ายแห่งพญามานคําว่าพญามานคือผู้มีกรรมดาก็คือผู้ให้สัตว์ตายผู้มีกรรมดาผู้เป็นใหญ่ผู้ให้สัตว์ถึงความตาย ผู้ไม่ให้สัตว์พ้นไปผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งผู้ประมาทนั้นก็นี่แหละพันพวกที่มีกรรมดําเนี่ยนะก็พวกเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาศนารก น, นะนะหมู่เดราชานทั้งหลายเนี่ยถามว่าอะไรมันจะน่าเกลียดน่ากลัวเท่ากับเดราชาใช่ไหมเดราชาบางตัวเนี่เห็นวิ่งหนีเลยนะคุณโชคดีเคยวิ่งหนีไหม mm. เห็นนั่นแหละมันน่ากลัวขนาดนะั้นั่นเป็นผลของโทสะ เป็นเหตุให้ไบปฏิสนธิแบบนั้นน่ะแม่มนุษย์บางคนเนี่ยนะผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเนี่ยโอ้ยเห็นครั้งเดียวก็พอแล้วชาตินี่นะไม่อยากเห็นซ้ําเลยนะให้รู้ว่านั่นเป็นผลของโทสะอันโทสะมันเกิดเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแหละไม่อยากเห็นหน้าซ้ําเลยผิวแบบนั้นไม่อยากเห็นอีกรอบเลยนะเนี่ยเป็นผิวที่เป็นผลของโทสะเนี่ยนะอยากเห็นหลายรรอบไหมผิวที่เป็นผลของเมตตาเนี่ยเราอยากเห็นบ่ายอันคนมีโทสะเราอยากเห็นไหม อยากพูดกับคนมีโทรสะไม่ยากนั่นแหละก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าถ้าจะบรรเทานั้นว่านี่เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดาคําว่าเมื่อนั้นพึงบรรเทาพึงมนสิการว่านี่เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดําเพราะฉะนั้นพึงละพึงบรนเทาพึงทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีด้วยมณสิกานี่นะิธีมนสิการก็คือเห็นโทษเห็นภัยนะว่านี่เป็นฝักฝ่ายแห่งผู้มีกรรมดา เป็นฝกักฝ่ายแห่งมารเป็นบ่วงมารเป็นเบ็ดมารเป็นเหยื่อมารเป็นวิสัยมารเป็นเครื่องให้เดือดร้อนของมารเป็นอาหารของมารเป็นเครื่องผูกของมารรู้ว่าเออนนะยยนเนี่ยนะสายพญามารเนี่ยเข้ามาแทรกกันนะเข้ามาได้จิตแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อนั้นพึงบรรเทาด้วยมนสิการวันนี้เป็นฝกักฝ่ายแห่งมารอีกอย่างหนึ่งพึงมนสิการ คือพึงละบันเทาให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีด้วยมนสิการว่านี่เป็นฝักไฟผู้มีกรรมดาผู้มีกรรมดาก็คือสัตว์ในอาบายทั้งหลายนะเออเนี่ยเข้ามาแล้วนะพวกตระกูลอาบายเนี่ยเข้ามาแทรกในใแล้วนะถ้าปลา่อยอย่างนี้เนี่ยอาบายเป็นที่หวังนะเหมือนนเป็นฝักไฟแห่งมารเป็นฝักไฟแห่งอกุศลเป็นเครื่องให้เกิดทุกข์เป็นสภาพมีวิบากเป็นทุกข์นะนะ ก็อาคุศนมันให้ผลเป็นทุกข์อยู่แล้วนะก็มีวิบากเป็นทุกข์เป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกเนี่ยนะเอาโกรธเข้าไปเนี่ยนะจะได้ตกนรกเนี่ยนะวนเวลาโกรธขึ้นมากันเออโกรธเข้าไปจะได้ตกนรกเอาคุ้มไหนดีล่ะนะเอาไหมหรือว่าตอนสกีคุ้มก็ช่างมันนะเงนะโกรธหนักขึ้นอีกนะดีจะได้สมปาถนาจริงๆละ่ะนะนัไอ้ความโกรธก็เป็นเหตุนรกเป็นเหตุให้เกิดเป็นเดรัจฉานย กลุ่มงูทั้งหลายเนี่ยกลุ่มเป็นสัตว์ที่มีโทสะนเนี่ยนะกลุ่มสัตว์ตั้งหลายชนิดเนี่ยนะอย่างสุนัขเนี่ยก็โทสะเยอะนะรูมนเหา่าโดยทั่วไปปกติถ้าเห็นคนแปลกนั่นเห่าด้วยโทสะเลยนะอันพวกเดรัชานหรือเป็นเหตุให้เกิดในเปรติวิสัยคือตอนที่ความโกรธมันครอบงาํามันย่ำยีเนี่ยมันทําให้ทําบาปได้มาก น, นีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ก็ได้รักทรัพย์ก็ได้ เป็นเหตุให้ไปทำชั่วได้โดยประการต่างๆได้ทั้งหมดเนี่ยนะอันบาปอากุศลเนี่ยเสียหายนำมาซึ่งความเสียหายจริงๆเพราะฉะนั้นภิกษุไม่พึงทำความเป็นผู้เป็นขโมยไม่พึงพูดเท็จพึงเจริญเมตตาไปยังสัตว์ทั้งที่สะดุ้งและมั่นคงเมื่อใดรู้ว่าใจขุนความขุนใจหรือใจขุนมัวด้วยอำนาจอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยนะเมื่อนั้นพึงบรรเทาเสียด้วยมณสิการว่า นี่เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดานี่เป็นสายพญามานนะไม่ได้สายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสายของพญามานสายไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนนรกว่างั้น